วันนี้ก็เป็นวันที่สิบสี่กันยาห้าสามเขาปัญษามาก็เดือนกว่ากว่าพระของเราสามสิบหกรูปบินทบาตก็ไม่ไม่ครบกันหลอว บ, <c oughs> บางวันก็ขาดบางวันก็เต็มแต่ทดนมากไม่ค่อยจะเต็มไม่ค่อยจะครบสามสิบหก แต่วันนี้ก็ขาดสิบเอ็ดทุกงวันนี้แต่หลวงพ่อไปเองไปดูในครัวบางครั้งก็เห็นพวกเราที่ทําครัวถวายพระหลวงพ่อเองก็เห็นนะพวกเราทางในครัวทําด้วยความเต็มใจทําด้วยความศรัทธาทําด้วยความหมั่นขยัน เป็นระยะเวลาถึง20กว่าปีแต่หลวงพ่อมาอยู่แต่หลวงพ่อก็เข้าไปดูอยู่ตลอดนานๆจะซซวแว บ, บเข้าไปดูเพื่อความขาดเหลือขาดตกบกพร่องสิ่งไหนที่จะได้ช่วยเพราะวัดเราต้องอาศัยครัวเป็นหลักเพราะพวกเราอยู่ห่างไกลจากที่จเจริญผี่น้องลูกหลานที่จะมาทำบุญก็โดยมากมนมีแต่ บ้านนอกของพวกเราที่จะอาหารจากชาวบ้านก็มีแต่บางครั้งก็เหลือเฟือแต่บางครั้งก็ขาดเพราะนั้นต้องอาศัยอาหารทางในครัวยืนพื้นเอาไว้แต่ลูกพ่อไปเห็นพวกเราลูกหลานที่มาทำครัวตุกตุ่นจนมาถึงบัดนี้พระทั้ง36รูป แล้วก็ใส่บาตรทุกองค์ทั้งอาหารหวานขาวทุกอย่างไม่ใช่เรื่องของเล็กน้อยเหมือนกันที่หลวงพ่อไปดูแล้วแต่ว่าถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังมีความสบายใจและ ว, ว่าปลื้มใจลักษณะอย่างนั้นแะก็เห็นกับพวกคณะลูกหลานคณะัทธาญาติโยมที่ทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อ จะตักบาตพระสงฆ์แต่ละวันแต่ละวันจากนั้นก็ไม่ใช่ของเล็กน้อยอีกเหมือนกันที่จะต้องเก็บภาชนะต่างๆการดูแลครัวดูแลอาหารดูแลผู้คนที่มาเกี่ยวข้องแล้วก็ดูแลอาหารที่จะเข้ามาวงครัวอาหารวัตถุดิบที่จะเข้ามาสู่รงครัวอันนี้ก็จะได้เตรียมพร้อมทุกอย่างขาดเหลือขาดตก จะต้องเป็นหน้าที่ของทางในครัวเป็นผู้ดูแลอันนี้ก็คือเป็นการขนขวายขนขวายเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลแต่ถ้าว่าพวกเรามีความตั้งใจจริงมีความเจตนาดีหรือว่ามีความมุ่งมั่นมีศรัทธาหลวงพ่อว่าบุญกุศลที่พวกเราทาเพื่อความยากลำบากนั้นไม่ไปไหนหรอกมันเข้ามาสู่จิตสู่ใจของพวกเราท่านทั้งหลาย ทางว่าพวกเราท่านทั้งหลายยังมีพบมีชาติยังเวียนว่ายตายเกิดใจวิตตะสงสารอยู่บุณกุศลเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องเกือกูลนุนเกิดพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอาหารการบริโภคไปในสถานที่ใดก็มีแต่ความสมบูรณ์จนถึงนั่นะมรรคผลนิพพาน ฟันจุดท้ายที่เราได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลมันจะเกื้อกูลหนุนถึงขนาดนั้นน่ะการสร้างบุญสร้างกุศลข้อสําคัญให้ตั้ตั้งใจจริงทําจริงอย่าไปทําแบบเล่นเล่ น, ลนด้วยทํารอแหละหรือว่าทววําทไม่ด้วยศรัทธาทำด้วยความจําเป็นจาใจถ้าทําอย่า ง, งานั้นบุญกุศลก็จะไม่มากแต่ถ้าว่าทําด้วยความจําเป็นทําด้วยความตั้งใจแล้ว บุญกุศลก็จะมากอย่างที่พระเจ้าปิณินที่ว่าไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญที่หลวงพ่อได้พูดให้แก่พวกเราทันทั้งหลายฟังเวลาคนตายแล้วก็เอาไปใส่กระทะหม้อทองแดงแล้วก็มัดด้วยหนังควายหนังวัวปิดปากเอาไว้แล้วก็ไปตั้งไฟเพื่อจะดูวิ ญ, ญญาณออกมาจากไหนแต่เขาก็ทำบุญ เขาก็ทาบุญแต่นี่นคือที่เขาทำนะคือคือคนที่มันผิดกฎหมายแล้วใครว่าคนฆ่าตัวเองแล้วแล้วกฎหมายบ้านเมืองเขาฆ่าแล้วก็คงจะไม่บาปเท่าไหร่นะเพราะว่ากฎหมายบ้านเมืองอย่างโทษประหารอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นนะแต่มั้งทีนี้พระเถระท่านหนึ่งเวลาเขาตายนะพอตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทวบุตร อยู่ชั้นจาตูมแต่เป็นเทวบทู่ไม่มีบริวารนะครๆว่าเป็นปราสาทที่ว่างเปล่าเป็นปราสาทที่ว่างเปล่าเขาไปเกิดและเขาไปอยู่ในบริเวณนั้นพระมหาเถระท่านกลางวันท่านออกไปออกจากเมืองมนุษย์ท่านก็ไปพักอยู่ชั้นจาตูมแต่เป็นเป็นที่ว่างแต่ไม่ใช่ปราสาทของผู้หนึ่งผู้ใด ท่านก็ไปเจอกับพระเจ้าเป็นดินท่านนี่นแะท่านก็ถามว่าท่านมาจากไหนพระเถระท่านถามบอกข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นดินอยู่เขตแขวงกรุงโกศลกรุงสาวัตถีเอาทําไมจะได้มาเกิดแถบนี้กระผมเป็นพระเจ้าเป็นดินแต่อยู่ในหัวเมืองแต่ไม่ได้สถาสถาปนาหรอกแต่กระผมก็ ได้ทาบุญสร้างกุศลท่านรู้ไหมว่าเนี่ยผมเนี่ยแหละที่ว่าไม่เชื่อแล้วตายแล้วเกิดผมคิดว่าตายแล้วศูนย์แต่ต่อมาทีหลังพร ะ, ะกุมารลกัจจปะที่ท่านแนะนำบอกกล่าวผมก็ได้ละมิตรสาทิฐินั้นจึงได้นับถือ พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แลปฏิบัติคุณงามความดีแต่ในใจของผมเรื่องศรัทธานั้นผมก็ยัง ทำบุญไปทิ้งๆข้งคว่างค่างไปบางคือไม่เต็มที่เพรั้นศรัทธาไม่เต็มที่แบบทำอยู่แต่ไม่เต็มที่เชื่อบางไม่เชื่อบ้างคนที่เชื่อบางไม่เชื่อบางการทำอะไรมันก็ไม่เต็มที่แต่ลูกน้องของผมที่ผมจัดว่าให้ให้ทำบุญทาทานนะอันนั้นเขาทำแล้วก็ผมก็พ อ, พอได้รับบุญจากเขาคนนั้นที่ทำเพราะบอกเป็นสมบัติของผมแต่ให้เขาทา แต่เขาทำด้วยมือของเขาเองแต่ในนี้เขาไปอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงเขานะเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่เขาไปอยู่ชั้นดาวดึงแล้วแต่สําหรับผมผมมาอยู่ที่ชั้นจาตุมที่ว่าชั้นต่ําแล้วก็ไม่มีบริวารมากนี่แหละคือว่าการทําด้วยศรัทธาหรือทําด้วยมือของตนเองเป็นบุญเป็นกุศลแต่ผมเนี่ยทำอยู่ แต่ว่าไม่ได้ทําด้วยมือตัวเองทําแบบว่าทิ้งๆควาๆ่างๆทาไม่ไม่เต็มที่บุญกุศลก็เดยส่งให้ผมอย่างที่พระคุณท่านได้เห็นนี่แหละเพราะงั้นอันนี้คือพระขวัมปติเท่าันะ้นพระเทราชี่วัคขวัมปติที่พูดด้วยวท่านเห็นเทวดาท่านนี้อันนี้มาถึงมาพูดถึงพวกเราท่านทั้งหลายหลุงพ่อก็มั่นใจอย่างนั้นเหมือนกันถ้าว่าพวกเราทําด้วยศรัทธา ทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความมุ่งมั่นบุญกุศลก็จะเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายอย่างพระของพวกเราเหมือนกันแต่พระฐา36รูปเนี่ยบางท่านบางองค์ท่านก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาพยายามทำจิตใจของท่านให้สงบท่านจิตใจของท่านเพื่อหวังทางพ้นทุกข์ก็มีอยู่แต่บางองค์ก็อย่างว่าเนะี่ยวาดมโนภาพอยู่ทั้งวันทั้งคืนอันนั้นก็ไม่ต้องว่ากัน แต่ก็คงจะไม่วาดทุกวันทุวี่ทุกวันก็มั่งบางครั้งก็คงจะนั่งสมาธิอยู่บ้างเหมือนกันแต่บางครั้งก็ยังว่าออกนอกลู่นอกทางเยอะมากกว่าอันนั้นพวกเราก็คงจะไม่ได้บุญกุศลมากแต่ถึงยังไงก็คงจะเป็นผู้มีศีลอยู่เป็นผู้ทรงศีลถึงจะไม่มีสมาธิคงจะไม่เป็นผู้ทรงธรรมแต่เป็นผู้มีศีลอยู่อันนั้นก็คงจะเป็นบุญเป็นกุศล ส, ส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันแด่หลวงพ่อก็ได้บอกพวกพระเหมือนกัน กลางคืนมาธรรมเทศนาของหลวงตาพิทยุของเราก็มีพิทยุเสียงธรรมแล้วก็ฟังถึงวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตั้งแต่สองทุ่มถึงตีห้าธรรมเทศนาของหลวงตาหลวงตาเทศทั้งคืนเพราะนั้นเวลาเราจะนั่งภาวนาก่อนนอนก่อนที่เราจะนอนแล้วก็เปิดพิทยุเปิดพิทยุก่นั่งสมาธิฟังฟังสักกันหนึ่งภาวนาดูกําหนดลมหายใจเข้าออกจากนั้นก็ฟัง กำหนดดูใจของตนเองกำหนดหนูลมลมหายใจเข้าออกของตนเองบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ต้องส่งไปเสียงหลงตาที่ท่านเทศหรอกให้มีสติอยู่กับตัวเองและหูของเราเสียงของหลงตาจะเข้ามาสัมผัสทางหูพอสัมผัสทางหูจะเข้าสู่ใจของเราใจของเราก็จะได้รับความสงบร่อมเย็นเย็นใจไปเรื่อยๆเพราะเราไม่ต้องส่งส่งหูไปฟังเสียงหรอก ให้สติอยู่กับตนเองเท่านั้นน่ะให้นิ่งอยู่กับตนเองนี่แหละวิธีฟังเทศในการภาวนาในการทําสมาธิเทศของท่านจะเข้าสู่จิตใจของเราเราจะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจทุกคําพูดแต่จะให้เราจําจําไม่ได้เพราะเราไม่ฟังเพื่อจําเราฟังเพื่อเข้าใจนี่แหละวิธีการฟังนี่แหละหลวงพ่อวักแนะนําพระจากนั้นก็ปิดวิทยุ แล้วก็นั่งภาวนาต่อถ้าว่าพวกเราทำได้อย่างนั้นเราก็เป็นบุญเป็นกุศลผู้ที่ทำบุญใส่บาทของเราทุกวี่ทุกวันก็เป็นบุญเป็นกุศลเกื้อกูลหนุนกันแต่ถ้าว่าพวกเราผู้ทำบุญก็ไม่ศรัทธาผู้ภาวนาก็มีแต่สร้างปราสาทอยู่ทางโลกวัฏสงสารไม่ดูอนิจังทุกขังอนาตาไม่ดูความเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ดูอสุภะปฏิกูลของตนเองในร่างกายนี่ยมีแต่อยากจะอยู่ในโลกวัตะสงสารมีแต่สร้างวิมานข่าจะเป็นอย่างนั้นข่าจะเป็นอย่างนี้อันไหนที่เป็นใหญ่ๆสูงๆโตๆเราอยากจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดพะกิเลสมันมัดใหญ่ไฟสูงสรุปพระกิเลสมันไม่ไฟต่ําแล้วมันไฟสูงมากันแต่นั่นแหะพอในสุดมันก็ไม่ได้อย่างที่กิเลสพาเป็นพาไปแล้วกิเลสมันอยากนะมันอยากสูงเลย แต่มันไม่ได้อย่างกิเลสเพราะเหตุไรเพราะเรามาทํามาขนาดนี้บุญกุศลของเรามีเพียงแค่นี้ความรู้ความฉลาดของเรามีเพียงแค่นี้จะให้เป็นใหญ่เป็นโตอย่างที่กิเลสวาดมโนภาพนั้นคงจะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นพวกพระสงฆ์ที่มาอยู่กับวัดหลวงพอ่อบวชอยู่ในพรรษานี้แล้วก็พวกเราทําครัวก็ทำด้วยจิตจัตตาทําด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ บุญกุศลจะพวกเราก็จะได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางว่าพระสงฆ์เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจแต่พระสงฆ์อย่างปล่อยป่าละเลยอย่างที่หลวงพ่อว่าการทำบุญของเราก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกเหมือนกันนะเพราะว่าในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจา้าท่านจึงบอกว่าการหวา่นน า, า, หวานพืชลงในที่นาลงการหว่านพืชลงในที่นาต้องเป็นเนื้อนาที่ดี ว่าเราหวานพืชหวานเมล็ดข้าวเข้าไปในลกในพงในป่าหญ้าแฝกหญ้าคาและต้นข้าวจะเกิดขึ้นได้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้อย่างไรแต่ถ้าเราดูแปลงนาที่ดีคือพระสงฆ์เป็นผู้ทรงสิงเป็นผู้มุ่งมั่นในธรรมเป็นผู้มีสมาธิเป็นผู้มีฌานเป็นพระอริยะบุคคลพระโสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์พระสงฆ์ออกจยากนิโรธสมาบัต พระสงฆ์พร้อมกับพระพุทธเจา้าเป็นผ้ารหันพวกเราทําบุญไปวันเนื้อนาบริสุทธิ์เนื้อนาดีเราหวานเม็ดข้าวลงหน่อยเดียวผลก็งอกเกยเต็มที่เพราะเหตุอะไรเพราะว่าเนื้อนาดีมมเมล็ดข้าวของเราก็ดีคือเราก็เกิดชัดชาในในิจิตในใจของเราของที่ใดมาขอบริสุทธิ์ไม่ได้คดไม่ได้โกงไม่ได้ผนจี่เปียดบางของใครมาทําบุญ ใจของเราก็มีศรัทธาจากนั้นพระสงฆ์ก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสรุปแล้วก็คือทั้งเมล็ดข้าวก็ดีเนื้อนาที่จะหวานพืชก็รองรับดีการทำนาเพียงใช้เพียงนิดหน่อยก็ได้ผลอย่างเต็มที่ถ้าทำมากแต่ไหนก็ยิ่งผลมากแต่ถ้าว่าเนื้อนาเต็มไปด้วยหญ้าแฝกยากาคาไม่ได้คาดซะก่อนม่ได้ไถซะก่อน เราหวานพืชเข้าไปเลยหวานมเมล็ดข้าวเข้าไปเลยมเมล็ดข้าว เ, าเกิดขึ้นมากก้อนกระแล่นไปเรื่อยๆเพื่ออะไรเพราะว่าที่ดินไม่ดีนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้งฝ่ายผู้ทําบุญก็ดีฝ่ายครัวก็ดีฝ่ายพระสงฆ์ก็ดีะขอให้พวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในศีรายจารวัตให้เป็นผู้ทรงศีละ บุญกุศลก็จะเต็มเปี่ยมทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้ผู้รับทั้งผู้รับขอบเมื่อชั้นไปแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าชั้นไปแล้วก็นู่นคิดเอเอลเอลยเฮยลอยลงพูดเรื่องโลกเรื่องทรงซ้อพูดอย่างที่เขาไม่เคยพูดคารวะเขาไม่เคยพูดตัวเองเป็นพระเป็นเจ้าออกมาพูดออกมาได้เอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องของพระเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติ ให้เป็นผู้สำรวมกายวาจาของเราอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอันนี้หลวงพ่อบอกกล่าวนะตักเตือนหรือย้ำเตือนทุกโม่เหล่าที่อยู่ด้วยกันอย่าไปมุ่งหวังหรือมุ่งมั่นอย่างอื่นเพราะเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาทั้งมาอยู่วัดทั้งฝ่ายอุบาสิกาก็ดีฝ่ายทําครัวก็ดีถ้าเรามาอยู่อย่างนี้เราไม่ได้มาเพื่อหวัง ล่าหวังรวนไม่ได้มาเพื่อหวังเงินหวังทองเราไม่ได้เมื่อมาเพื่อหวังอย่างอื่นเรามาเพื่อสร้างบา ร, รมีเรามาเพื่อสร้างบุญกุศลเรามาเพื่อบํำเพ็ญกิตภาวนาเรามาเพื่อหาทางพ้นทุก์จะทํายังไงพวกเราจึงจะพ้นทุกในวัฏสงสารได้โดยด่วนโดยเร็วจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดอีกเพราะเราเห็นแล้วเกิดมาพบหน้าชาติหน้าไปอย่างนี้แหละ เกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็มีแต่กระดูกเท่านั้นลนะ่ะแล้วก็เกิดมาอีกตายแล้วไปรู้ว่ไปไหนอีกเพราะว่าไม่มีใครบอกแต่ถ้ า, าพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านมีญานาทศนะท่านก็จะบอกให้ฟังท่านก็คงจะไม่บอกให้ทุกคู่ทุกคนใครจะไปกล้าถามท่านละ่ะถึงจะมีท่านก็เถอะถ้าท่านไม่แนะไม่บอกไม่กล่าวเราก็ไม่กล้าถามท่านเหมือนกันแต่พระพุทธองค์พระอรหันต์ท่านรู้ว่าตายแล้วไปที่ไหน ถ้าคนทํากรรมชั่วก็ตกต่ําไปนรกไปเกิดเป็นสัตว์เลร้ยฉานถ้าบอกใครทําสร้างบุญสร้างกุศลทําคุณงามความดีก็ไปสู่สวรรค์ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดวสวรรค์ชั้นพรหมไปทางวัดไดพระโสดาตกรทาอนณาคาก็ไม่ต้องทํานายท่านแล้ทีเพราะว่าท่านมีแต่ทางจะพ้นทุกข์ไร้วัตะสงสารไปเรื่อยๆแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็มีความมุ่งมั่นมีความพยายาม เราก็เห็นโทษอย่างนั้นจริงๆเกิดมาแล้วก็อย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นเป็นเด็กเป็นยังไงใหญ่ขึ้นมาเป็นยังไงมาถึงเดี๋ยวนี้เป็นยังไงต่อไปภาคหน้าเป็นยังไงมันมีแต่เรื่องของทุกข์ทางนั้นคำว่าทุกข์คืออะไรก็คือไม่ตั้งความปรารถนาไม่สมความโง่งมาตปรารถนาเราอยากจะให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ให้มันแก่มันก็แก่ไม่ให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่ให้มันตายมันก็ตาย ไม่ให้หูหนวกตาฟางังหูตึงฟันหลุดอย่างนี้มันก็ไหลไปตามสภาพของมันแล้วเราจะไปถือว่าร่างกายนี่เป็นของเสร็จสวยงดงามเป็นของสุขสนุกสบายได้ยังไงเราไม่ควรจะไว้ใจร่างกายเหมือนกับอย่างที่ว่ารถนั่นจิตใจเหมือนกับคนขับรถแต่เวลามันรถมันเสียล่ะรถมันทุกไหมถามรถเลสิรถมันเสียรถทุกไหม รถยางแตกนะรถถูกชนนะรถลูกสูบมันติดใช่ไหมรถรถมึงทุกไหมรถมันก็ไม่ได้พูดอะไรมันไม่ทุกเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นอยู่อย่างงั้นแต่คนขับรถเนี่ยเจ้าของร ถ, รถเนี่ทุกไหมรถเสียเนี่ยทุกไหมถ้ารถแล้วเก่าๆมันก็ไม่ทุกเท่าไหร่แต่รถใหม่ๆเนี่ยโ อ, อ้ถึงเก่ากับใหม่ก็เอะทุกติดทุกใจแต่บางคงก็ พอรถเก่าแล้วก็เอาปล่อยวางมันเถอะทํายังไงได้มันหมดอายุของมันแล้วอันนี้คือคนคนที่ปลงอันนจางทุกขังอนัตตาได้เหมือนกับเราคนแก่คนแก่บางคนก็เอ้ยเอาเถอะอย่าไปรักษามันเถอะถึงข่าวแล้วอยู่มานานแล้วลูกหลานเลยปล่อยปลยมันซะอย่าไปปั้มหัวใจนะทํามันตายแล้วก็ตายไปถ้าปั้มึ้นมาแล้วก็ทํามันไม่คืนมาก็เป็นภักดิ์เฉด เป็นทุกข์เป็นร้อนของลูกหลานดูแลสุขภาพปล่อยๆมันไปซะเพราะมันเกิดมานานแล้วสมควรจะไปแล้วจะอยู่โชค้าดินสลายได้ยังไงนะลูกหลานนะอันนี้คล้ายกับว่าเจ้าของรถเนี่ยรู้สภาพว่าถึงจะรักษาอย่างไงเมื่อเท่านั้นแต่โดยมากไปเป็นอย่างนั้นเลโดยมากเจ้าของรถไม่เคยปฏิบัติไม่ได้สนใจศีลธรรมภาวนาจิตตภาวนามีแต่อยากจะอยู่กับโลกอยู่อย่างนั้นละ่ะ ดันทุรีดันทุลังนไงนะเงินคำทรัพย์สมบัติอยู่ที่ไหนขายเอาไปหมดเพื่อจะมาดูแลรักษาทั้งที่ตัวเองเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตับนะเป็นมะเร็งลำไส้นะเป็นมะเร็งรักษาไม่หายนะมันเป็นมะเร็งเข้าสู่เส้นเลือดแล้วนะเข้าไปในต่อมน้าเหลืองแล้วนะตีหมดแล้วนะขนาดนั้นก็ยังอยากจะรักษาให้หายมันจะรักษาหายได้ยังไงพราะมันกระจายไปทั่วทุกร่างกายแล้วนี่แหละ อันนี้คือคนไม่ได้คิดไม่ได้ภาวนาไม่ได้ศึกษาธรรมะมีแต่อยากหายอยากหายอยากหายอย่างเดียวแต่มันหายไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็คือเจ้าของรถมันพังจนพอแรงลูกสูตรมันติดจนพอแรงมันเครื่องมันอะไรอันนี้นก็เสียไปหมดแล้วกัดดันทุลังอยากจะไปซ่อมเแต่ซ่อมรถมันยังค่อยยังช่วยซ่อมร่างกายมันซ่อมไม่ได้เนียมันหนักกว่านั้นไปอีกวะงั้นนตะแต่ถึงยังไงก็ตาม ให้พวกเราสำนึกคิดไว้อยู่เสมอว่าร่างกายมันมีจุดจบของมันถึงยังไงจะดูแลรักษาเลี้ยงดีขนาดไหนดูแลดีขนาดไหนร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเหมือนกับรถอย่างนั้นเราจะถะนอมร้างดีแต่เราขี่ทุกวี่ทุกวันรถมันยังมีวันจอดเลแต่ร่างกายของเราเนี่ยหายใจฟอดแฟฟอดแฟติดเครื่องทั้งวันทั้งคืนแล้วว่างั้นติดเครื่องทั้งวันทั้งคืน นอนเราก็ยังติดเครื่องอยู่งั้นเถอะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ติดเครื่องอยู่ตลอดถ้าขั้นท่านพูดไปถึงเก้าสิบปีเนะี่ยก็ติดเครื่องจึงเก้าสิบปีว่าเงี้ยแต่รถของเราไม่ใช่นะเราได้มาเราก็มีแต่วิ่งมันก็ติดเครื่องติดเครื่องมันก็วิ่งวิ่งแล้วก็หยุดอีกแต่ร่างกายของเราเนี่ยติดเครื่องอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันตายแล้วทีนี้ทํำยังไงจะไม่ให้มันชุดมันโสมได้ยังไงนี่แหละ ถึงยังไงสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีทำในใจนะถ้าเรามีได้เรียนรู้เรื่องทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรอย่าไปลุ่มหลง ม, มัวเมากับร่างกายจนเกินไปนะร่างกายอีกสักวันหนึ่งนะถึงจุดจบของมันได้แต่ทิ้งยังไงตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะที่พูดให้ฟังในวันนี้ก็เป็นแนวความคิดนะ ถึงหลวงพ่อจะพูดหรือไม่พูดให้ฟังแต่พวกเรามาช่วยกันทําอาหารเลี้ยงพระสงฆ์ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ถึงหลวงพ่อจะพูดหรือไม่พูดก็ตามหลวงพ่อก็เป็นที่พอใจปลื้มปีติอยู่ในใจอีกเหมือนกันเห็นลูกเห็นหลานช่วยกันสร้างบุญสร้างกุศลไม่เคยตําหนิในพวกเราท่านทั้งหลายและเขาคอยพวกเราท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจใหวังบุญหวังกุศลจริง ถ้ามันมีความจําเป็นถทำมันจะไงมันหมดศรัทธาหมดศรัทธาก็ออกไปแต่ถ้ายังมีศรัทธาอยู่เอา้าทําไปทําไปสร้างบุญสร้างกุศลไปเหมือนพวกพระของเหมือนกันถ้าอยู่ไม่ได้หมดศรัทธาเออก็ไมว่ากันเพราะมันหมดหมดศรัทธาทําังไงแต่จะไปทําทะเลถลายท่านถ้าทาทะเลถลถายหน้าตำหนินะคือหมดศรัทธาแล้วก็เกล้าานเกกะลา ล, ะลา น, ลลานดันทุลังไปอยู่อย่างไงเอาความชั่วเข้ามา มาประพฤติปฏิบัติอนนา้นหาตำหนิแต่ว่าไม่ใช่ผู้หวังดีไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ว่าตัวเองมันไม่ไหวแล้วจะอู่ทุศีไปอยู่ทําไมอยู่ไปก็เสียหายแต่ถ้าว่าเราจะปลูกฝังยังไงทําไมจิตใจของเรายังเป็นอย่างนี้หาวิธีแก้ไขทําไมใจมันคิดอย่างนี้มันคิดได้ยังไงมันไม่คิดว่าตัวเองจะตายอย่างนั้นใช่ไหม ต้องหาวิธีพักฟื้นสู้ในจิตในใจฮะบดกําลังใจมันก็มีเหมือนกันน่ะบางครั้งแต่พระพุทธเจ้าก็ยังหมดหลายครั้งเหมือนกันที่พระพุทธเจ้าสู้กับพญามาร น, นางตันหาราคาอัลลอดีอะไรคือเนี่ยเรื่องกิเลสเนี่ยนะกิเลสภายในพระไทยของพระองค์นั่นแหละนี่แหละอันนี้กับพวกเราเหมือนกันพวกเราไว้ยิ่งหนากว่าไม่รู้กีก่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนเท่ากับพระพุทธเจ้าผิด เปรียบเทียบท่านไม่ติดเลยจะไม่ให้หมดกำลังใจได้ยังไงแต่เรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นเอาเรกทาคาสอนของพระพุทธเจานะ้ามาเป็นแบบฉบับมาสอนเรามาพักฟื้นเรามาสู้ในจิตในใจของเราก็มันก็คงจะไม่เหลือวิสัยนะมันคงไม่เหลือวิสัยแต่ถ้าเราไม่สู้มันก็อย่างว่านั่นแหละมีตะกีเลียดเหยียบย่าทาลายแต่ละวีแต่ละวันผลที่สุดก็เลย ทำในจิตในใจของเราคงเงอะงอกเกยไม่ได้มีแต่ล่มจมจิีหายไปเรื่อยๆผลที่สุดก็นะมองอะไรก็ควางหูขว้างตาไปหมดมองอะไรมองวัดวาศาสนามองหมู่มองเพื่อนมองครูบาอาจารย์ก็คว้างหูขวางตาไปหมดเพราะเหตุไรเพราะกิเลสมันในใจมันมันพอกภูนนะแต่ถ้ามีทำอยู่ในจิตในใจแล้วมองอะไรเป็นศีลเป็นธรรมไปหมดมองยังไงก็คือโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้มองเป็นธรรมนะมองเป็นธรรม โลกมันเป็นอยู่นี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ทึ่งเราจะตายไปลึกเป็นอยู่อย่างนี้แต่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลในขณะนี้เราควรจะทำตนอย่างไรเราควรปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นศีลเป็นธรรมจะทำยังไงเราจึงจะถอนกิเลสภายในใจิตในใจของเราออกจา ก, กจิตใจของเรากิเลสออกจา ก, กจิตใจของเราเราจะได้พ้นทุกในวัฏฏสงสารไม่มาเวียนไหยตายเกิดอย่างที่เราเห็นเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ไง อันนั้นเนเป็นหน้าทีของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องคิดทุกวีทุกวันทุกขณะทุกเวลานะรับพรอ น, อนโมทนาให้พร